ย่ตามอิสระย่้อห้อยใจ้อาเขาง่อยตามอิสระคนที่อยากขค้นนังสาอยากขี่รถเงียวรถทดลองไล่าข้หนมกใส่ข้าวตมสมุดเป็นบุคคลาธิฐานสมุดเป็นธรรมาธิฐานนี่ไดตัวด้วยถึงสิ่งพระพุะทธธรรมพระสงฆ์โยธรรมะมีประมาทดาบจะเท่าขาัดสูพเนพานเรผลทุกนาวัาถะสงสารโยทุกเมือ่อวัตถะแปลว่าหมุนเวียน เน่ยความหลงของำเฮาส่วนคว่ำหลงคว่เฮาบ่ไหมความหมุนเวียนกระบอกไหมความหลงของำเฮามันหมุนมันเวียนอยู่ในวัฏจักรสารเนี่ยวัฏจักงสารที่มาร่วมเนีแหละก็ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงหมุนเวียนอยู่นี่เครื่องศิษระละโลภละโกรธละห ล, ลงพระองค์เจา้าห้ากระบอกไหวแล้ยพอเนี่ยน่ท่นานวัดศรีรวัดพระวนาวัดซึ่งวัดยิตวัดใจของเฮา เ, เขาอยู่ในห่วงนั้น เดี๋ยวก็อยู่ในหงงวงครับสอนขวงพุทธท่มสงพรพุทธศาสานาได้ใน ใ, นใต่รกทาศาสนาสากุลศาสนาได้ใ น, ในใต่รกทามันบทตรพุทธศาสานาเข้าดรอกบ่ใ ก, กล้เพราะเป็นโรคี่ศาสนาบพะเป็นโกกรคกุศลศาสานาเหตุที่ไหนจึงวายสงส่นเพราะผู้ตนบัญญัตเป็นโรคขี่ทั้งนั้น เป็โรคุตตระศาสนาแจ้าพระสมาสัมพุทธเจ้าเที่ยงเดียวศาสนาอื่นๆเป็นโลกี่ศาสานาแตาาวาากกาา่ว่าดีอยู่ทั่งดีส่นสวนดีน้อยดีร้ายเ น, นี่ยถ้าจะพูดไปตามธรรมะที่พระเตยกสุพระพุทธศ า, าสานาบ้ได้ไม่ได้พูดเข่าคางตัวพูดเข่าคางธรรมาะที่พระเตยพูดไปตามดิ้งของมันไม่ได้พูดโอนเอียงของดีเข้าไปว่าของสัว มันเรียกว่าโมหะคติเพราะว่าลู่บอลลูเท่าถึงกาเน่ําเอียงเพราะความเขาเรียกโมหะคติขันเท้าเทียบไปว่าญญาณพิจัยผู้อื่นผู้เขานับถือเกลียว่าพยาคติเพราะกลัวขันเถ้าเอาโดยค่วมหักเกลียกว่าชั้นทาคติขันเท้าเอาโดยความขี่หึงค่วมโกรธข่วมเครียดเกลียกว่าฉั้นทาเรียกว่าโทสาคตินําเอียงเพราะความายชอบกันนลำเอียงเพราะความรักใครกันเรียกชั้นทาคติ น้ำเอียงเพราะความไม่ชอบกันเรียกโทษาคติน้ำเอียงเพราะความเข่าเรียกโมหาคติน้ำเอียงเพราะกลัวเรียกพยาคติแล้วคติสี่ประการนี้ไม่ควรมาพฤติพระพุทธมศาสตาสอนมาในท่าหมดสี่คำสอนใดๆ ใ, ในไทโลกธาตุจะเสมอเหมือนคําสอนพระพุทธศาสตร์นาไม่มีรอกไม่พูดอีกก็จริงอีก แต่บุกคลผู้ที่จับกลุ่มจะพวกกันด้วยความลำเอียงหมูมากก็ลากไปแม่งว่นนั่นก็ลากไปกินหมูกินขูดแมงพูดแม่งเผลอมันก็ลากไปกินเชื้อซอนดอกไม้ตั้งคนต่างหลากของไปของมันจะว่าอย่างไรก็เอาแต่ปัญญาของไฟของมันแลยละเมื่อไหน่พอามัอิสระเด้่อิสระ การถือพระพุทธศาสนาพวกห้องห้าวมีอิสระมั้งห้าวจะซื้ออันไหก็ได้แต่ว่าอิสระห้องห้าเน่ะมันอยู่ขนาดไหนห้าวขัดขวดห้าเอี๊ยตกันดอกบัวมันมีก็มีอยู่สีเราดอกบัวใต้น้ําดอกบัวสีเหลามีประจําโลกอยู่ทุกยุคทุกสมัยดอกอยู่ใต้น้ําดอกเสมอน้ําดอกเป็นตูดอกบานห้าจะเป็นดอกบัวชนิดไหนดอกบัวไม่ สี่ชนิดหนึ่งไมวา่าแม่กอ น, นั่นล่ะนี่สี่ชนิดกอนั่นไม้ขั้ว่าคนอยู่ในโลกแต่ละดอกไม้ขั้วม า, วาม แ, แต่ละกลุ่มแต่ละบุคคลแต่ละดอกผู้ใดไม่คว้วเห็นเนี่ยสันใดก็ยืนยันตัวว่าถือก็สันนันว่าพวกสันสูงก็ยืนยันในห้สันสูงว่าถึอสันสูงพวกสันกลางก็ยืนยันว่าถือสันกลางแต่ว่าถือคู่คน คือพระพุทธเจ้านะมันดีสำหรับเธอแต่ไม่ดีสำหรับนักปา่ามโวฆ่าปรุหลมัขฆ่าประลุษพระพุทธเจ้าว่าว่าว่าพาุทินเธอไปทำไม่ดีไม่ได้กับภรรยาของเธอมันก็ดีสำหรับเธอนั่นเองแต่มันไม่ดีสำหรับนักป่าโกงกันคำที่เขาพูดมาน่นนะครัูที ศาสนาอื่นมันดีวะมันก็ดีสำหรับขจรอสะถว่าไงผู้ถือศาสนาพุทธมันดีก็ดีสำหรับพวกพุทธถือว่าอย่างไรสักจนดีน่อยดีมากกัแล้วแต่ไผ่แต่ไผ่จะพีจะหนาเอาศาสนาสอนไผสอนจิตสอนใจเข้านี่เมื่อไหรสอนผู้อื่นเพราะผู้เป็นเจ้าจิตพราะผู้เป็นเจ้าใจเข้านี่เธอทําดี ทำชั่วก็มีอิสระทั้งดีทั้งชั่วทำชัวก็อิสระทั้งชัวทำดีก็มีอิสร ะ, ะทั้งดีเราจะทาคตเป็นเพียงบอกเธอทั้งหลายจะทำแทนเธอทั้งหลายไม่ได้มาจ้ะเหงื่อนอนก็นต้องนอนเองเหงื่น้ำก็ดื่มเองเราจะทำแทนเธอพวกเธอทั้งหลายไม่ได้เป็นเพียงบอกเท่านั้นะ ธรรมธรรมมีอยู่สองอย่างโลกียธรรมโลกุตตรธรรมโลกุตรกตรธรรมมีมีที่ไหนก็มีในโลกุตตร์มีในพระพุทธศาสนาเท่านั้นเหลือรองนั้นไม่มีเลยโลกุตร์โลกุตตรธรรมก็มีโลกียธรรมเท่านั้นพระมรรจันเบื้องต้นของพุทธศาสนาก็หมายถึงพระสุ ป, ปฏิปันโนเป็นต้นไปหนักมีขอบเขตสุ ป, ปฏิปันโนก็คือ บรรทิตตัคารมาวะสังนั่นเองบัรทิตเป็นผู้ครองเรือนบัรทิตในทีน่นี้หมายถึงสุพิจันโนนัตถีพร า, าปริณายกกาคนผ่านไว้แค่คนหัวหน้าเนื้อบันทิตตาปรินายกาบัรทิตจึงเป็นคนหัวหน้าพ่อบ้านแม่บ้านก็ดีพ่ออำเภอ พ่อตำบลพ่อจังหวัดพ่อหมู่บ้านในระหว่างครอบครัวก็ดีในระหว่างหัวหน้าวัดก็ดีหัวหน้าโรงเรียนก็ดีก็ต้องเป็นบัรทิตผู้เป็นหัวหน้าบรรทิศตัวขลมาวัชสังบัรทิตเป็นผู้คลองเรือนก็บัรทิตเป็นผู้คลองพระพุทธศาสนาเหมือนกันธรรมศาสตานาสังฆศาสนาเหมือนกันนบัรทิตเป็นผู้คลองเรือนก็หมายเอาแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปพระสดาบันเป็นโลกุตระบัรทิตเนอไม่ใช่โลกีเนอะ มีเส้นหา้าโบเดบูลเนอไม่เสียดายอยากล่องลำเมิดอบายมุกเนอนั่นมีขอบเขตอย่างนั้นพระพุทธศาสนาไม่เสียดายอยากจะสาปแช่งใครเนอนั่นไม่เสียดายอยากค่าขายเครื่องปราหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นใะเนี่ยสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารมนี่ค้าขายน้ำมาไม่ค่าขายยาพิษนั่นมีขอบเขตอย่างนั้นการค้าขายของพระโสดาบันการค้าขายของบัญชิตทางพระพุทธศาสนามีความหมายอย่างนั้นอบายยมุกทุกประเภทไม่เสียดายอยากล่องลำเอิญนั่นบัญชิตทางพระพุทธศาสนานัเนี่ย แต่ในโลกเนี่ยมันจะมีกี่ล้านลานก็ตามจะมีกี่คนก็ตามก็ขึ้นอยู่กับธรรมะแต่หลายข้อมูลเราไม่สามารถจะรู้ได้ใครก็ต้องรู้ตนเองเอาเรามีการเบียดเบียนท่านผู้อื่นไหมเขาทําผิดกับเราเรามีการจะเบียดเบียนตอบแทนเขาไหมถ้าเรายังจะตอบแทนเขาไม่เหลี่ยมหนึ่งก็เหลี่ยมหนึ่งก็เรียกว่าไม่ใช่สุภจิปนู สุปฏิพันโนสุปฏิพันโนมีความโกรธอยู่แต่ทว่าไม่ผูกเวรมึงเถอะพุจะแก้แค้นมึงไม่มีอืถ้าหากว่าเคยได้ทํากรรมชั่วกับเขามาแต่พวกก่อนก็ให้เล่ากันไปซะเราจะไม่ตอบดอกแต่เราโกรธอยู่ก็ให้เล่ากันไปซะถ้าเขามากว่ามายก็ให้เล่ากันไปสัเราจะไม่ตอบเขาดอกนั่นแหละภูมแม่สวดาบันมีสินห้าบริวณไม่ใช่เจ้าชายอยากล่วงละเมิดสินห้า สินห้ากัลยาณ์นะทำห้าก็มีความหมายอันเดียวกันถ้าไม่มีสินห้ากัลยาณ์นะทำห้าก็ไม่มีถ้ามีกันลยาณ์นะทำห้าสินห้าก็ไม่มีถ้ามีทั้งสองอย่างนี้อันใดอันหนึ่งก็มีหมดถ้ามีสินห้าบริบูรณ์ก็เป็นพระสุาบรณได้ถ้าสินห้าไม่บริบูรณ์ก็เป็นไม่ได้สิ่งอื่นเป็นไปเองถือพระพูทธพระธรรมพระสงค์เป็นนิจวัตเลยเหตุไหนจึงถือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงค์เป็นนิจวัตอยู่ในใจเลือกได้ไม่นึกได้ก็ดีพราะเข้าใจว่า พุทธศาสนาะสั่งสอนเหนือใครในโลกทั้งปวงแล้วไม่มีาศาสดาอื่นจะเทียมถึงได้จึงทรงพนามว่าสัทธิเทวมนุษสานังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพงเลยไม่แ ม, ม่ขั้นข้ามเลยเพระบรมศาสต า, สาโลกเปโตรเป็นผู้โรแจ้งโลกอนุตตโรเป็นผู้เยี่ยมล้วพุทิศาธรรมสารถิฝึกตนเหมือนนายสารถีฝึกมาแล้กกวก็ฝึกผู้อื่นได้ลัทธิเทวมนุษสานัง เป็นผู้สอนของเทวดาแในมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้ตื่นออกจากกลียตตัญหาราคะโทสะโมหะแล้วภะควาเป็นผู้มีโชคภะคะพ่อแปลว่าเป็นผู้มีโชคออภะคะวาเป็นผู้มีโชคหรือเป็นผู้จำแนกทำจำแนกทำจำแนกทานจำแนกศีลจำแนกภาวนาออกทำเบื้องกลางเบื้องต้นทำเบืองต้นบางกลางบืองท้ายทำเบืองท้ายคืออะไรทำเบืองท้ายวินัยบืองท้ายก็คือพระอรหันต ทำเบื้องต้นคือก็คือพระสวสดาบาลทำเบื้องกลางก็คือสักขาคามีอาณาคามีทำเบื้องท้าก็คือทำพระรหันต์สีลสมาธิปัญญาก็อันเดียวกันมัตเขอธิกัลยานางทำเบื้องต้นคือศีนทำเบื้องกลางคือสมาธิทำเบื้องท่าก็คือปัญญาก็มีความหมายอันเดียวกันศีลพระสวสดาบาลศีลของสักขาคามีสีนของพอาณาคามีสีนของพระรหันต์มียิ่งย้อนกว่ากันสมาธิของพระสวสดาบันสมาธิของสักขาคามี สมาธิของพระอนาคามีสมาธิของพระรหันก์ก็มียิ่งใหญ่กว่ากันสมาธิของพระปัจเจกสมาธิของพระธมาทาพระพุทธเจ้าหรือปัญญาดีหรือศีลดีก็ต่างกันไปเป็นลำดับพระมีคุณค่าต่างกันพระมียานท ร, รัพย์ปัญญาต่างกันระดีค่าเสมอกันก็ไม่ได้เพระมีกําลัง น, อน้อยกําลังมากกว่ากันแต่อยู่ในชั้นเดียวเกิดกันคือชั้นพน้นคือชั้นโลกุตระ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 เราเชื่อพระพุทธศสาสนาขนาดไหนเราก็จะได้เห็นเราในคราวนี้เนะก็จะได้เห็นท่านผู้อื่นในคราวนี้ที่ข้าวบ้านเมืองเป็นจราจนสมัยนเองเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเป็นจราจนสมัยเนาะต่างนก็ต่างแข่งรับทีกันประชันขันแข่งกันโจมตีกันอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดมันก็มีมาอยู่ทุกยุคทุกสมัยในครั้งพุทธการก็มีอยู่เหมือนกันในครั้งนี้มันก็มีอยู่ทุกขั้งประจําโลกอยู่ แต่ผลชุดท้ายพระพุทธศาสนายึดเอาไปแล้วอันไห้มันดีพระุทธศาสนายึดเอาไปแล้วคื อ, อยังไงคือทําเป็นโรค บ, บ า, คคาลกุ้งครองโรคสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะกุ้งครองโลคได้ถ้าไม่มียางอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วกฎหมายกัดหมูกัดพักกัดพวกก็ตั้งไม่อยู่อู่ของทำก็ไม่นําคํานึ่งก็หมดที่พึ่งพิงอิงอาศัยทําความช่วยในที่แก้งไม่ได้ก็ไปทําในที่อับนั่น พระบรมศาสดาคําสอนพระพุทธศาสนาทุกๆพระองค์มายืนยันเลยนั่นเอา้าเพียงมีสิ้นห้าท่านั้นล่กฎหมายกฏหมูกฏพักกฏพวกก็ไม่ต้องตั้งมากนั่นนั่นนเพราะมันมันมีกฏอยู่ที่หัวใจเพราะมันมีศีลตัดศีลอยู่ในหัวใจมันไม่อยู่ในตัวหนังสือเพราะเรอายต่อบาปมันก็มีอยู่หัวใจ ฮี่นีความละอายต่อบาปมันไม่อยู่เพียงตัวหอสลอักอิกับตัวรอเรือสลอัอิโอต ป, ปะก็ไม่มีเพียงอยู่ในตัวหนังสือมันมีอยู่ในหัวใจของของบุคคลเมื่ามันมีอยู่ในหัวใจของบุคคลแล้วก็ไม่ต้องตั้งก้อนไ ม, นม้ก้อนหัวก้อทักก้นพวกมากนักหนักนักถ้าไม่มีฮี่นีความละอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วจะตั้งขึ้นจีแลล้านมาตากมาท่องแข่งกันเฉยๆนะ่ะ เอาสัญญามาท่องแข่งกันนั่นนั่นนัความสงบจะมีจากประตูไหนนั่ไม่มีเลยนั่นพุทธศาสนาเอาไปกินแล้วเนี่ยนั่นเชงอื่นมีลดาดูนท้องถจะมาอวดดีต่อพระพุทธศาสนามันก็แค่ล้ายๆกับเอาเม็ดพันธุ์พักการดไปคว้างใส่ภูเขาหิมะอะไรนั่นเองนั่นนั่นนั่นนั่นมันก็คล้ายๆกับกองทัพวัดน้ำลายบ้วนขึ้นฟ้านั่น นั่นหมดไตโรคฐาตบ้วนขึ้นฟ้ามันก็ไม่ถึงใช่ไหมนั่นมันก็ถ้ากลับว่าคว่างปลาค่อนใส่ต้นเสานักมวยเอกก็รบไม่ทันใช่ไหมนั่นกำฝุน่นโตลมดูสิมดโรคเนี่ยสู้มันไม่ได้ใช่ไหมนั่นนั่นนั่นไปเรือโตน้ำไหลไปไม่ไหวนั่นกำในผลของกำยังมีอยู่ การตัดสินให้กันตรงหรือไม่ตรงไม่สำคัญผลของกรรมยังตามอยู่สันยุติธรรมคือผลของกรรมในทางพุทธศาสนาสันยุติธรรมนั่นนะ่ะตามสนองอยู่พระโมคคลาขึ้นไปภูเขาคิดจะกูดไปเห็นปรต เ, เป็นมากสองผากเดี๋ยวเลยไปหัวระทีนียิ้ม พขาผู้เปเจ้าเยี่ยมอะไรเออเดี๋ยวนี้ยไม่เป็นหน้าที่ผมจะตอบพวกเธอไปหาพระบรมรรสาสีริกอนเพราะผมไม่มีพยานตอบพวกเธอได้พวกเธอก็ไม่เชื่อหรอกไปหาพระบรมรรสาสีริกอนทีนี้ก็ไปเห็นเป็ด อ, อีกจค่พวกหนึ่งเลยมือยาวมากเข้าใบตอนหนัก แขวงไปแขวงมาร่องโอยโอย อ, อ, อยู่เปรตจำพวกอ้าปากก็อ้าปา ก, าปากมีสองมีเป็นมากสองปากเปรดจำพวกหนึ่งก็มีต้นไถ่เกิดอยู่ที่ที่หัวของมันลมพัดมาไกวตรงเตงตรงเตงตรงเตงอยู่มันก็ร่องคลางอยู่ท่านก็ได้ยินแต่พระภิกษุจำพวกอื่นไม่หินไม่ได้ยิน พอลงมาถึงพรบรมศาสตราจากเขาคิดจะกูดมาวเวรีดวนสวนไผ่กาบเท่าทุนเรียนพระบรมศาสตราขอกราบขาอกราบเท่าทุนเรียนองคสาเด็จพระบรมศาสตราเปรที่จำพวกมีสองปากมันมีไหม และ่ออื่นก็ยังมีอีกจะกลับเรียนต่อไปเออเธอก็ไปเห็นมาแล้วทำไมเธอจึงมาทำพิธีถามเราถ้าไมถ้าถ้าไม่ว่าอย่างนั้นภิกษุจำพวกนี้ก็คอยฟังหนูพระเจ้าข้าก้ายังไม่สามารถจะอธิบายให้ฟังในเมื่อท่านเหล่านี้ถามเพราะไม่มีพยาน เธอเห็นแล้วไม่ใช่หรือลงมาจากภูเขาคิดะกูเดี๋ยวนี้พวกเธอทั้งหลายก็มีสิทีนี่ถ้าว่ามีนั่นเขามีบรพกรรมเป็นยังไงพระเจา้าค่าเออแต่ชาติก่อนของเขาเขาเป็นทนายความกินทั้งโจ์กินทั้งจำเลยพอตายแล้วเขาก็ไปตกนรกออกจากนารกมาเขามาเป็นสัตติรชานออกจากสัตติรานมา ก็มาเป็นเประะออ อ, อกะะกับเปรตมาเขามามาเป็นสัตยิรษานยังจะไปเป็นสัตยิรษานอีกเดี๋ยวนี้กําลังเป็นเปรตอยู่ไม่รู้ว่ากี่ครับกี่กันละจึงจะได้เป็นสัตยิรษานจึงจะได้ไปเวียนไปเกิดเป็นมนุษย์อีกนั่นบุปผกรรมของพระพนะุทธศาสนาผลของกรรมอนะไรกรรมในผลของกรรมยังมีอยู่การตัดสินให้กรรถูกแล้วไม่ถูกไม่เป็นปัญหาหรอกผลของกรรมยังจะ ตัดชำระตอนทุดท่าอีกตามสนองประยู่เอีกพวกที่มือยาวเป็ดที่มือมอีมือยาวมือใหญ่โตโหดฐานเท่าใบตานะเขาเป็นบุพกรรมอะไรพระเจ้าค้าเออแต่ชาติก่อนนันเขาไปจับต้องกายหญิงอยู่ในวัดด้วยความกำหนักของเขา เขาเลยตายมาก็มาตกนรกออกจากนรกมามามาเป็นเปรตมือยาวออกจากเปรตนี่ยังจะไปอะไรอีกอยู่อ <AI> ัคโหทีนี้พวกที่มีต้นไม้อยู่หัวนั่นน่ะเขาเป็นยังไงพระเจ้าข้าเออแต่ก่อนเขาไปถอนหลักแดนไรแดนนาแดนที่ดินของท่านผู้อื่นแล้วเขาก็ช่อโกงเอาเหตุฉะนั้นเมื่อเขาตายแล้วเขาจึงไป ตกในนรกเพราะเขาออกจากนารกมาก็เป็นเปรตเกิดต้นไผ่อยู่บนหัวไกวไปไกวมาอยู่เป็นกอใหญ่เลยกอภัยกบุพกรรมของเขาเกิดขึ้นเองไม่ใช่คนอื่นไปทำนั่นนรกทั้งหลายพระญายงก็ไม่ได้ท่าผลของกรรมเกิดขึ้นเองเป็นโอปปาจิกะเกิดขึ้น สวรรค์เทวบุตรเทวดาก็าไม่ได้สร้างเขาใครเขาไมนสร้างขึ้นเองที่นี่พระโมกขนาขึ้นไปบนสวงสวรรค์ไปเห็นวิมานอยู่รังหนึ่งกว้างขวางร้ายโยดลงพมพอลงมาเมืองมนุษย์ก็มากราบเท้าทูลถวายพระบรมาสารดาไปถามเขาเจ้าก่อด บอกว่านิมานของใครนี่นิมานของนันทมนุษย์นันทมนุษย์เขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่ในมนุษย์โลกเขากําลังสร้างที่อยู่ให้พระอาศัยมันมาเกิดนิมานไว้แล้ ว, วเป็นของที่ไปคอยแล้วทีนี้พระบรมศาศาสตร า, ศาทีนี้พระโมคคลาคก็ลงมาลงมาแล้วก็ขอกลับเท่าทูลถวายองค์พระบรมศาสดา คนยังไม่ได้ตายมีวิมานเกิดขึ้นในบนสวงสวรรค์มันมีหรือพระเจ้าข้าเออเธอลงมาเดียวนี่นะเธอก็ามาถามเรามันก็มีสินี่ฉะ น, นั้นเขาจึงเวียนข้า พ, พระโมกคลาโจรห้าร้อยข้าพระโมคคลาถ้าค้าพระโมกคลาแล้วค่าพระสาดีบุตแล้วศาธ า, าพุทธก่อจอ ไม่มีชื่อเสียงเดี๋ยวนี้มีชื่อเสียงก็พระพระโมคคลานัสรีบุตรเป็นผู้มีปัญญามากนัรีบุตรโมกคลาเป็นผู้ผเหาะเหินเหนืออากาศได้ไปขึ้นไปสวงสวรรค์แล้วก็มาบอกเทวโลกในคนในไต้โลกธาตุก็เรื่องใสรับถือพระพุทธศาสนามากที่นี่ขนมของพวกเราก็แห้งลาบของพวกเราก็ามีน้อยแล้วก็ไปจ้างคนมาฆ่าพระโมคขลาจ้างคนห้าร้อยมาฆ่าจ้างโจรห้าร้อย มาฆ่าข้างที่หนึ่งท่านก็เหาะหนีข้างที่สองท่านก็เหาะหนีข้างที่สามท่านนึกเห็นบุพกรรมของท่านที่ทากับมารดาก็เลยไปกราบส่วนพระบรมศาลาเออเธอมันเกี่ยวข้องกับทำบุพกรรมแก่มารดาเออจำเป็นก็ต้องไปใช้ชาติซให้เขาฆ่าซะพอเขามาล้อมข้างที่สามเนี่ยท่านก็ไม่หนีปล่อยให้เขาฆ่าเลยค้อนเขาก็ตีเอาโจน 500. ห้าร้อยหัวแตกละลายท่านก็ เข้าสู่อนุภาติเศษสันิพานไปเสียแต่ว่าเมื่อกรมตามมาถึงมันก็มาถึงแต่เรือนร่างไม่ไม่ได้ทางหนังทางเขาเพราะวิญญาณของท่านไม่อยู่ในที่นั่นแล้วเพราะท่านถอดวิญญาณได้แล้วเพราะท่านไม่ถือมั่นในขันห้าของท่านแล้วค่ากับกลางเกงของเราถอดทิ้งแล้วเพราะมันขาดแล้วเราทิ้งทีนี่เขาโกรธให้เราเข้ามาเผาไฟ เราก็ไม่เสียดายกังเกงและเราก็ไม่เดือดร้อนด้วยเพราะเราทิ้งแล้วกังเกงชั้นใดก็ดีเมื่อขั้นห้าพระราหันท่านทิ้งแล้วท่านก็ไม่ได้เดือดร้อนถึงอย่างนั้นพวกนั่นก็ยังมีบาปอยู่เพราะข้าพระราหันอยู่มาอยู่มาก็แลวก็อยู่มาอยู่มาก็พากันไปดื่มสุรา ที่โรงสุราแล้วก็ตำรวจเขาคอยถือจับเอาอยู่อพวกเราไปฆ่าพระโมคคลาพระโมกคลาเก่งเหลือเกินเออดำดินบนได้แต่ไม่พ้นค้อนพวกเราไปตีบุ ป, ปรกรรมยังไงไม่ทราบพวกเราฆ่าพระโมคคลาเขายังไม่รู้จักเราพวกเราเนาะพวกนั้นแต่ตำรวจเขามองหนูเขาแต่งตัวปลอมไป อยู่ทุกคนทุกแห่งเขาจับได้ทั้งห้ารอยคนเขาเอามาลงโทษทนีนั่นท่านไม่ได้หวงเห็นโดยสกุรละกายของท่านถึงอย่างนั้นก็ยังมีโทษอยู่นั่นทีนี่เขาก็จับออกทั้งหนะ้าร้อยเพราะข้าพระรหันเอาไปฟังว้เพียงขนาดเอวบ่าคอบ้า เ, เอาไถเหล็กไถ่พระเจ้าพิเภสา์ให้ไถเพราะข่าพเจ้านมันบาปมากมีปัญหาสอดเข้ามาว่าพระเจ้าพิเภสา์เนี่ยมีเส้นห้าบริบูรณ์เป็นพระโสดาบันแล้วทําไมจึงไปให้เขาฆ่าโจรมันจะไม่พิดิตเส้นห้าดอกหรือมีปัญหาสอดเข้ามาว่าเขาก็ตอบว่า ก็กฎหมายเขาตั้งไว้แล้วไม่ใช่พระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้ฆ่ากฎหมายฆ่าต่างหากพระเจ้าพิมพิสารก็บริบูนอยู่ในชิ้นห้าของท่านแล้วเพราะท่านเป็นพระสวัสดิบัลท่านตั้งกฎหมายเองท่านเอาท่านเอาชิ้นห้าเป็นแห่นเป็นกระจกแล้วท่านท่านตั้งกฎหมายเอาเองทรงอำนาจที่ขาดราชาหมาคาโทแปลว่าพระเจ้าแผ่นดินมากดผู้ที่ตั้งกฎหมายมองดูชิ้นห้าเป็นหลักผู้นั่นก็ไม่เข้าข้างตัว เพระมีหลักมีแว่นมีกระตุกจกเงามีแว่นอยู่มีดิงอยู่นั่นผลของกรรมตามทั้งอย่างนั้นเหตุฉะนั้นพระโมคขลาจึงถูกเข้าวฆ่าแต่ในพบก่อนพระโมกคลา ท, ทําท่าทําทางจะเอาบารดาวไปปล่อยแต่ไม่ได้ปล่อยหรอกเอากลำคืนมาบ้านต่อแต่นั่นมานี่พูดยอดเต็มทีต่อแต่นั่นมาทุกภพทุกชาติท่านก็ตายถูกเข้าวฆ่าทุกภพทุกชาติเลยตลอดถึงชาติเข้าสู่พระนิพพานนั่น กรรมในผลของกรรมในทางพุทธศาสนาละเอียดละอ้อไหมนั่นพระโมกขนาสร้างบารมีมากี่ชาติขี่พบจึงได้เป็นพระโมกนลนาภาษารีบุตรสร้างบารมีมากี่ชาติขี่พจึงเป็นภาษารีบุตรแต่ขั้งพระเจ้าอโนมัสัตว์สีนั้นัก น, น, น, นัมีตวัสดิมาแต่ดึกดำบรรพ์ครบหมดัดพระบรมศราสดาสร้างบารมีมาเท่าใดจึงได้เป็นพระบรมศาสดาก็มีมดในตำนาน พวกกราสารบุพระมหากัตถะเหล่านี้พระอน์เหล่านี้มีมดแต่ลัที่อื่นไม่มีคาเียแร้วคาเชลคาเชลนั่นั่นนั่นนั่นั่น่พูดที่มพออธิบายพูดหลายบางทีก็มีท่านพวกโกรธให้เราอยู่เยอะนี่โกรธก็ตามจะเบรกเอาโกรธไปพรนนิพานไ้หรือนั่นเราพูดตามมันจริงนั่นนๆๆ กรรมในผลของกรรมมีอำนาจเหนือใครจะเก่งสักเพียงไหนก็อยู่เหนือผลของกรรมไม่ได้นั่น น, นเหตุฉะนั้นพระบรมศาสต า, าจึงเคารพทำถ้าทําให้มีอยู่ก่อนพระบรมศาสดาเขาคเคารพไม่ได้พระบรมศาสต า, ามารู้ธรรมก็ไม่ใช่ว่ามาแต่งทำเพราะทํามีอยู่ก่อนแล้วพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆก็มาตัดสรู้ธรรมอันเดียวกันเหตุฉะนั้นธรรมของพุทธศาสน า, าจึงมีคุณค่ามากเพราะไม่ดัดแปลงแก้ไขเลยไม่ได้เข้าข้างตัวไม่ได้เข้าข้างประชาธิปไตย เข้าทางโลกาธิปไตยเข้าธรรมมาธิปไตยคําสอนพระพุทธศาสนาโลกาธิปไตยก็ดีอัตตาธิปไตยก็ดีประชาธิปไตยก็ดีถ้าไม่มองดูพระพุทธศาสนาแล้วก็ไปไม่รอดเหมือนกันเอ้าการปกครองบ้านเมืองก็เหมือนกันในระหว่างวัดก็เหมือนกันในระหว่างหัวหน้าแต่ละกลุ่มละกลุ่มก็เหมือนกันถ้าไม่มองดูคําสอนพระพุทธศาสนาแล้วก็ไปไม่รอดเหมือนกันอ้าถ้าเห็นแก่ตัวแก่พรรคแก่พวกของตัวก็ดีหรือเห็นแก่ตัวก็ดีไม่เห็นแก่ทำแก่วินัยไม่เห็นแก่หมู่แก่คณะ ไม่เห็นแก่ความจริงสิ่งไหนที่มันเป็นประโยชน์แก่ตัวแต่มันไม่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อื่นสิ่งนั่นก็ไม่ใช่คําสอนของพุทธศาสนาสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์สองทางสิ่งนั้นจึงเป็นคําสอนของพระเจ้าเช่นเราไม่ฆ่าสัตว์อย่างนี้เราก็มีประโยชน์ไม่มีเวรมีภัยกับเขาสัตว์ก็ไม่ได้ตายด้วยเรานั่นเป็นประโยชน์ทั้งสองทางเช่นเราไม่รักของเขานี้เขาก็ไม่ได้รับแรงเราของเขาก็ไม่ได้หายด้วยเราและเราก็ไม่มีเวรมีภัยกับเขาอ่ ต่างคนก็ต่างปฏิจจกโทษนี่เรียกว่าเป็นประโยชน์ตัด้วยประโยชน์ท่านผู้อื่นด้วยนั่งนๆ่งนันั่น่งผู้น้นนนอยพออธิบายผู้หลายคนเ่ยแล้วเนี่ยอลไรทีนี้ใครใครจะพูดอะไรก็พูดมาจะพูด้ามันสุดมันกระุดวง้เป็นเนอ อ, อต้นแก่ผู้ใหญ่ก็เป็นบุญกองหนึ่ง คือพระรหันต า, นาขีณาศพชั้นที่4ี่คือพระอนาคามีชั้นที่ห้าคือพระสักทาคามีชั้นที่6คือพระพัดาวันชั้นที่7คือมหาเทระตามธรรมดาที่เป็นโลกีเมื่อพวกเราทั้งหลายเนี่ยทำผิดท่านทั้งหลายเหล่านั้นด้วยกายกรรมสจีกมีสี 4, ่เมนูกรรมสามอันใดอันหนึ่งก็ดีพระมหาเทระทั้งหลายเหล่านั้นจงทรงก้นโทษให้แก่พวกเราทั้งหลายอยู่ทุกเมื่อผลนุดท้ายพวกเราทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญในบวรพระพุทธศาสนาเพระสมาธิพระพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไป กันถึงที่สุดทุโดยชอบอยู่ทุกเมื่อเถิดในระหว่างพวกเราทั้งหลายทั้งทั้งใจรกรกธาตุต่างฝ่ายต่างได้ทำติดกันด้วยกายกรรมสามวิญญาณสี่มนุษกรรมสามอันใดหนึ่งมาแต่พวกก่อนชาติก่อนก็ดีปัจจุบันนี้ก็ดีจะไ ป, ไปในครั้งนี้หน้าก็ดีพวกเราทั้งหลายจงทร ง, งให้อภัยแก่กันและกันทุกท่านหน้าผูกขาดจองขาดอยู่ทุกเมื่อผลชุดท้ายพวกเราทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญในบรวรพุทธศาสนาของพระสมัยท่านพุทธเจ้า ยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบอยูทุกว่ามมนมีประมาณนั้นเปโยัตตารธรรมวันติยุวนโนสุขะภลังเรียนพระใจพิดกจบด้วยและเป็นผู้มีชินม่ทําด้วยจะเรียนพระใจพิดกจบก็ตามถ้าปรนความประพฤติของเธอไม่ดีไม่ให้มาออกเสียงในที่ประชุมนั่นนั่นนัน ถ้าความมาพิดของเธอดีเธอจะได้เพียงแต่นโมก็ให้มาออกเสียงพราะแต่ก่อนผส ม, มากาันยังไม่มีปาราชัดชิกสีสังขารที่เษที่สามเลยเพราะพวกเรานั้นเป็นคนอำนาจวาสนาสร้างมารมีแก่ข้ามาแล้วพอเทศสนาให้ฟังก็เพ่งเป็นพระทหารเลยเพ่งเป็นพระทหารเลยเหตุฉะนั้นปาราชิกสีสังขารที่เศษที่สามอันนี้ยดสองอะไรต่ออะไรจึงยังไม่ทำในตั้งเมื่อตั้งในมัดชิมการนี่เองตั้งพระวินยัย ไดปัดชิมอการพอปัดชิมอการตั้งจบบริบูรณ์พระบรมศาสตราก็เลยเข้าสู่พระนิพพานเราเข้าสู่พระนิพพานไปแล้วก็ ต, ตามเราไม่ได้เอาไปด้วยคําสอนของเราแต่ระบิดระบาดนั่นเองจะเป็นศาสตาแทนท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามเน้อท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทเนื้อเมื่อมีผู้ปฏิบัติสินธรรมเท่าที่สมควรเกิดการที่เป็นอยู่ตามสติกําลังของตอนแล้วเท่าที่สมควรจะทํารมแล้ว พระสวัดิบาลทศก atha คามียนาคามีพระหันก็ไม่ขาดจากโลกแม้เราจะอยู่จีร่า ล, ล้านพระองค์ก็ตามถ้าพวกเธอไม่ปฏิบัติพวกเธอก็ไม่เห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นเราผู้ใดเห็นเราก็ผู้นั้นก็เห็นธรรมหนักไม่ได้เข้าข้างตัวพระพุทธศทาสนาเข้าข้างธรรมทำไมพ้ทธทิศน์ธรรมามาทำทั้งหลายทรงอยู่มีอยู่มีผู้ลูกก็ตามไม่มีผู้ลูกก็ตามททั้งหลายก็มีอยู่ ทั้งฝ่ายโรกีและโรภุตระไม่ขาดโรคไปไหนนั่นใครจะเสพหรือไม่เสพก็ตามน้ําก็มีอยู่ไฟก็มีอยู่ลมก็มีอยู่ใครจะเอาไปใช่หรือไม่ใช่ก็ตามเราพิจารณาน้ำน้าจึงจะมีเราพิจารณาไฟไฟจึงจะมีเราพิจารณาลมลมจึงมีเราจะพิจารณาทำทำจึงจะมีไม่ใช่สิ่งเหล่านี้มีก่อนแล้วท่านปรมาสัตว์ราผู้มารู้ธรรมถ้าทําไม่มีอยู่ก่อนพระปรมาสัตว์ราก็ไม่รู้นั่น พระธรรมที่เป็นโรกีและโรภุตระมีอยู่ก่อนพระองค์ทุกๆพระองค์เพียงพระองค์ทุกๆพระองค์จึงมาเคารพธรรมไม่สําคัญตัวอยู่เหนือธรรมนั่งนั่งนั่งนนั่งจึงไม่ได้แก้ไขพรบพระพุทธศาสนาไม่ได้แก้ไขเลยพระเจ้าองค์ไหนมากี่ล้านพระองค์อเดกัสตะโกตโยพระพุทธเจ้ามากกอ่าร้อยโก็ตามก็เป็นธรรมันเก่านั่ไม่ใช่ของใหม่เอสัโมสนันโตพระธรรมนั้นเป็นของเก่านั่ไม่เหมือนพวกเราพวกเราทําไมถึงแก้กันอยู่บ่อย ก็มีแต่ผู้ขี้เลสไปตั้งกฎหมายมันก็แก้กันสินั่นเพราะบรเรามาศาสราไม่ได้มีกิเลสนลยรู้ตามเป็นจริงของธรรมนั่นนั่นนั่นนั่นพูดน้อยพออธิบายพูดหลายก็เป็นโทษเดี๋ยวหาว่าพระเป็นการบ้านการเมืองถ้าพระไม่สอนบ้านสอนเมืองจะไปสอนผีตัวไหนนั่นและระหว่างผัวกเมียก็สอนเนี้ ยกเล่ด้วยยกย่องนับถือเป็นภรรยาด้วยไม่ดูหมิ่นด้วยไม่ประพฤติร่วงใจโดยมอบความเป็นใหญ่ให้ด้วยให้เครื่องแต่งตัวนั่นักนนั่พระบรมศาลาคําสอนของพุทธศาสนาเนี่ส่วนภรรยาที่จัดการงานดีสงเคราะห์คนข้างเคียงของผัวดีไหมประพฤติร่วงใจผัวรักษาทรัพย์ที่ผัวหามาในไว้ขยายม่เจ็ดท่านในการจัดการทักรพวงนี่การบ้านหรือการเมืองนี่นี่คำสอนพุทธศาสนาสอนอะไรเนี่ยเอานั่นนั่นทีนี้เรื่องคารวะที่นี่พระพุทธศาสนาก็สอนด้วยกายกรรม คือทําอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยวจีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาข้อสี่นี่ด้วยความเป็นผู้ไม่เป็นตรูคือห้ามไม่ให้เข้าบ้านเรือนคือห้ามไม่ให้เข้าบ้านเรือนหมายความว่าไม่ตัดทุนทางบินธบาตเป็นต้นนั่นข้อห้าด้วยให้อเมชทานสมณะพรามได้รับบำรุงช่นี้แล้วย่อมอนุเคราะห์คุณาบุตรด้วยสถานหกหนึ่ง ถ้าไม่กระทาความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอัน ง, งามสี่ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังข้อห้าทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แก้มหกบอกทางสอนให้นั่นั่นันน่นั่งพระพุทธศาสนาไมาให้สอนคาราวาสจะไปสอนถี่ตัวไหนถ้าขารวาสไม่เริ่มใสพพุทธศาสนาจะไปเลื่อมไสตอนไหนทีนี้ก็มีอีกทีนี้ วิ ย, ยาวิจารณ์มาแบบสองจำพวกจำพวกหนึ่งสแสดงตนเป็นนายพระนเนนจำพวกนี้ต้องไปตกนรกจำพวกหนึ่งสแสดงตนเป็นลูกสิษพระสิษเนรจำพวกนี้จะไปสวรรค์มีะไรพระไตรภิกษุถ้าไม่ถูกเข้าไปเขาไฟทิ้งซักพระไตรภิกษุเอาไว้ทาไมนั่นทีนี้มีคาสอดเข้ามาว่า เม <ME> ื่อขราวาสไม่ยอมตัวเข้าหาพระพุทธศาสนาไม่ยอมตัวเป็นวัยาวิจกรจะให้ผีตัวไหนไมายอมตัวนั่นนๆๆนๆั่นั่ น, น, น, น, น, น, น, น, นถูกไหมเราอยากจะล้องลดังให้มันยินชั่วทั้งใรโลกธาตุไง <laughs> เอาล่ะเจน <laughs> พูดมากก็เบื่อหูนะ พืชอยากพึงถ้ายองอาจเลยไม่กลัวเลยเออพราความเห็นมันดิ่งลงอย่างนั้นะมันถอนไม่ออกความเห็นมันดิ่งลงอย่างนั้นแล้วะมันถอนไม่ออ ก, ก, อออกวความเห็นดิ่งลงทางผิดมันก็ถอนไม่ออกเน้อความเห็นดิ่งลงในทางถูกมันก็ถ อ, อ, อ, อนไม่ออกเน้อนั่นการถอนไม่ออกมีสองอย่างดิ่งไปในทางผิดมันก็ถอนไม่ออกแช่นพระเทวทัตเป็นต้นนั่นเรานึกฝันไหมว่าพระเทวทัพ ทั้งเป็นลุงพระบรมศาสด า, า, าเป็นพี่ชายของนางพิมพานั่นเองจะมาเบียดเบียนพระบรมศาสดากุกพระพุทธก็เป็นพ่อตาเป็นพ่อของนางพิมพานั่นเองมาเบียดเบียนพระบรมศารีรานั่นนั่นนนั่ น, น, นเรานึกเราฝันไหมละ่ะท้ามพุทธกาลมันเป็นอย่างนั้นของดีถ้าไม่มีสิ่งที่ที่มาลองดูมันก็ไม่รู้จักถ้าไม่มีมืดก็ไม่มีสว่างสว่างกับมืดมันก็มีมาแต่ไในใดแล้ว จะให้คนอยู่อยู่ระดับเดียวกันเป็นไปไม่ได้ผู้ระดับสูงก็ไปหาหมู่สูงเราได้คนไม่ถึงศีลถึงธรรมมาเป็นเพื่อนราษคนก็ไม่เท่าคนถึงถิงีต้องทํามาเป็นเพื่อนคนเดียวนั่นนั่นนนนั น, น, น, น, น, นเราได้่ยคนขี้บัด ข, ข, ขี้เบือขี้โบกขี้เบี้ยมาเป็นพุทธบริษัทไม่เท่าผู้เขานุ่งผ้าขาดแล้วก็เอาเข้ามาทานให้วันละเม็ภาวนาก็ง่ายนั่นถูกไหม นั่นถูกไหมคนตั้งโลกมีคนพูดถึงทำคนเดียวเช่นพระบรมสารีาก็เป็นเครื่ององปุ่นอยู่จนถึงขนาดนี้เลยนั่นๆๆ น, นันนพูดถือไม่ไ ม, ไม่มีบาไม่ีบุญเดินตามหลังเราก็ไม่ไว้ใจใช่ไหมเดี๋ยวก็ยิงทิ้งปืนผมนั่นใช่ครับนั่นผมไม่มีเกีตนาครับนั่นนอนอยู่ด้วยกันก็ปบื่อคอตายซะอืม เดี๋ยวก็หาว่านอนโรคอะไรเขาเขาอยากว่าโรคอะไรโรคไร้ตายในโรคอะไรอีกยังยังไม่อีกอเออเรียกฝ้ายแตกยังไม่อีกโรคหัวใจยังไม่อีกอืมพวกเจ้าใหม่เขาตายบ่อยโรคอะไรเนาะ คว า, ามต่ำก็เออทุกคว า, ามต่ำก็มีมากนะ อ, อ๋เยอะแค่ไหนผู้ที่เขาถือว่าไม่มีบาปไม่มีบุญเขาไปได้ไหมนัดผู้ที่ถือว่าไม่มีคุณพ่อคุณแม่ไปได้ไหมนัดนัถอยหลังถอยหลังแล้ว พอรู้ตัวก็หมดทนต่อสู้ใช่ไหมนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นน่นเดี๋ยวนี้เบื่อลบลาค่าฟันแล้วก็มาหาประชาที่ประทายแล้วทีนี้มันไม่มีประโยชน์นั่นนั่นนั่นนั่นเห็นไหมนั่นเห็นไหมเดี๋ยวปจะกแก่ตาอยู่เพราะหลวงปู่มั่นทำนายไทยทักไปแล้วพวกที่ถือมันมีไม่มีบาปไม่บุญพวกที่ถือไม่มีคุณพ่อคุณแม่ไปไม่ได้ไปไม่รอดกันตัวอย่างนั้นก็ไม่ว่าแต่ นอกประเทศแอะพวกเราใครประมาณวิดามารดาปุย่าตราทรวดมันก็ไปไม่รอดเหมือนกันเป็นพระก็ไปไม่รอดเป็นผู้พระฆ่าก็ไปไม่รอดเป็นเจ้านายก็ไปไม่รอดเป็นอะไรก็ไปไม่รอดทิ้งคุณวิดามารดาคุณวิดามารดาเปรียบเหมือนคุณพระอรหันต์สองก็อกันเข้าได้กับคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมกันเข้าได้น่ะน่ะน่นะมาตาพิทุปัฏฐานะพุทธทาสทั้งพระโห อนาคูลาการสรงข้อเบิดามาดาการการส่งข้อมุตทิทดาให้ลูกเมียอนาคูลาการงานแบข้างๆจะกรรมตาการงานที่ไม่มีโทษเอตมังคารมุตตะมังเป็นมงคลของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายวันนี้เราหาเอตมังคารมุตตะังมันก็ไม่มีไม่มีเพราะมันเอตมังคารมุตตังไม่มีในตน ดวงดีมันก็อยู่ที่ดวงห้อยใจเราดวงเคื่องก็อยู่ที่ดวงห้อยใจเราแล้วไปหาดวงเมืองฝ้าอากาศมันก็ไม่พบไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่เห็นเนี่ยพระบรมศาสตรสรนอย่างนั้นเนี่ยอ๋อและ้ะพูดไปมากก็โมโหเพราะมันมีกิเลสอยู่พูดไปมากก็โมโหเอาละอืมเอาละทีนี่โมโหให้ตนเองไม่ใช่โมโหให้ท่านผูอื่นเนาะ เป็นชิดที่มีคู่เอาพะพระธรรมระสงค์เป็นคู่เป็นลูกที่มีพ่อมีแม่เป็นชิตที่มีคู่ผู้ใดถึงพระพุพทธพระธรรมระสงฆ์ผู้นั้นเป็นชิดที่มีคู่คู่ห้าวเป็นคู่ปเสิฐระพุพพทธพระธรรมพระสงค์เฮานอน ม, มาส่งลูกที่หัวใจเฮาทดกแปลว่าอยู่ฟักใจระบาบบำเพ็ญบุญทำหม้อส่องไหว้สึงระบาบบำเพ็ญบุญ สังโกะแปลว่าปฏิบัติระบาบบำเพ็ญบุญท่านะไมบุญเฉลี็จด้วยการบริจาคทารจักเขาเนี่ท่าละไม่ศีละไม่บําเฉลีด้วยการรักษาศีลภาวนาไม่บุญเฉลี่ยด้วยการเจริญภาวนาอภิจายะละไมบุญเฉลี่ยด้วยการประพฤติของตนแก่ผู้ใหญ่เวียวัชมัยบุญเฉลี่ยด้วยการเพื่อคนกลุในจิตที่ชอบปฏิทานะไม่บุญเฉลี่ยด้วยการให้ส่วนบุญทาบุญแล้วอุทิศหา พ่อแม่พี่น้องปูงญย่าตายายผู้คนหลุมไม้ตายไปสู่วาระโลกภายหลึงคิดคิดด้วยจอุทิศฐานเรียกว่าปฏิท่าหน้าไม้เป็นบุญอันทั่วหนึง่งปัฏานโมธนาไม้บุญชั่วฤกษ์ด้วยาการอนุโมทนาส่วนบุญเมื่อทําบุญแล้วเราก็าอนุโมทนาด้วยคิดด้วยใจด้วยมีเครื่องวัตถุเป็นพยานกับเพียงนี่ปัฏานโมธนาไม้บนชัวด้วยาการอนุโมทนาส่วนบุญ ธรรมะชนมัยบุญธมเด็ ด, ด้วยการฟังธรรมธรรมเทศนาไ ม, ม่บเทเด็ ด, ด้วยการแสดงธรรมการแสดงธรรมละสัวธรรมดีก็นจัดเป็นการแสดงธรรมคือห่้อนลูกซ้อนเต่าของห้องไอ้ <c oughs> นทูไอ้เป็นทูนนละสัวธรรมดีมจัดเป็นการแสดงธรรมมดไอ้รมะใา้อย่างชีวิตในทางที่สอบมันจัดเป็นการแสดงธรรมมัด ทำไม่หให้โดนเดินบกเดินเบียดเดินบัสเดินเบือนันชัดเป็นการสาแสดงธรรมมัดเป็นบุญมัดทิฐิจุกรรมการทําความเห็นให้ตรงการทำความเห็นให้กลงคือหมายควา ม, มว า, มาเห็นว่าบาปมี่บุญเมื่เห็นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นของบุญเลิยประเสริฐกว่าศาสนาใดๆทั้งปวงเป็นผู้ประเสริฐกว่าศาสนาอื่นๆเรียกว่าเห็นตรง เห็นมามักผลนี่พานไม่บาปไม่บุญไม่คุณพอคุณแม่ไม่ทําดีเลยดีทํามช่วยอะไร่วยช่วยใหหัวใจท่าดีก็ไม่ต้องหัวใจนะดีท่ามชัวก็ม่ต้อหัวใจนะรัวดินฝาอากาศวัได้มาดีมาชัวน้าเป็นบุญก็เป็นบุญเขายกหัวใจดินฝาอากาศวัได้มาหยาดเอาบุญเอาบาปน้ำเฮ็ดบาปก็เฮ็ดแท่หัวใจเฮ็ดบุญก็เฮ็ดแท่งหัวใจเฮ็ดงสันจึงเอาคนวาววายแท่งจิตพลิกมนุษย์ กังจุงักเหลื่อมส่ให้นัถือระพุทธศาสนาคนมาบ่ายใช้ชีวิติมนุษย์โดหูจักเหลือหาาาาหล่อมใส่ในวพุทธศาสน า, าแล้วพระพิจารณาก็สอนบ่ก็เลยตามคำของเขาน่อแล้วก็อยู่หันะก้อนฝากไว้กับพระพิจารณ์พระพุทธเจ้าองค์หนาส่วนองค์นี้เทศว่าเข้าใจตามคำของอแล้อยหันตก้าว้ัาพระทธ้งหนา่วงน้เาตามของรรารองา เขาเกิดมาตระกูลจำบางตระกูลชูงบางเปคนโูคสวยบางเป็นคนโรครอบางเป็นคนโูคสีเลบางเป็นคนอายุยืนบางอายุสั้นบางเป็นคนรวยบางเป็นคนจนบางพรเหตุไดก็พระเหตุกรรมและผลขอนกรรมที่รัตถารายสางไว้ลวนพุทธิมาสางให้ถ้าผูเป็นเจ้าจิตถ้าผูเป็นเจ้าใจของรัตถารายสางไว้พระพุทธิเจ้าเป็นผู้สร้างส้ พระุทธเจ้าองค์อนุกรรณาฟังสังสอนมูเฮาองค์นี้ก็มาสอนเองเนื้อนอนก็นอนเองเนื้อนาำก็ดื่มเองนื้อข้าวกรับทานเองแล้วทศทางก็เป็นแต่เพียงบอกเท่านั้นจะทําแทนไม่ได้พระพุทธเจ้าผู้อื่นเขาบอกว่าพระพป็นเจ้าเป็ผู้สามเบาบุญนะพระองค์เก่าเขาว่าพระพป็นเจ้าของพวกคุณทั้งหลายนั่นเองสร้างขึ้นของพวกหลกหลานนั่นเองสร้างขึ้นที่ดวงใจ ผลรับกร็รับอยู่ที่ดวงใจผลสร้างเขาสร้างอยู่ที่ดวงใจเพราะใจเป็นผู้รู้จักสิงอื่นไม่รู้จักเท่าใจตนเป็นที่พึ่งของตนใจเป็นท like right? ี่พึ่งของใจทําดีไว้เป็นที่พึ่งของใจทําช่วยเป็นที่เบียดเบียนของใจเธอทั้งหลายจงทาดีเถิดเมื่อได้รับชั่วมาแล้วเธอทั้งหลายอย่าไปติเตียนคนอื่นเพราะใจเป็นผู้สร้างขึ้นจงติเตียนใจนั้นถ้าทําดีใน้ผลดีเขาต้องให้คะแนนที่ดีใจของเธอทั้งหลายนั่นเอง ถ้าทั้งชั่วก็ต้องรงติเตียนใจของพระคือนั่นเองธรรมารมณ์ศาสตร์จะละสอนต้องมาเนี่ยสอนต้องมาใจของเราเอพระธรรมพระสงค์ไปหายอย่างอื่นก็บอกบกมหาที่อื่นก็ยิ่งตื่นแม่พบมหาที่รวงใจทึ่จะเห็นว่าพุทธธรรมประสงค์ถ้าเราเลื่อมใสในพระพุทธธรรมประสงฆ์พระพุทธธรรมพระสงค์ก็อยู่ที่ใจถ้าเราไม่เลื่อมใสในพระพุทธธรรมประสงค์พระพุทธธรรมพระสงค์ก็ไม่อยู่ที่รวงใจ ไล่ผีก็ต้องไล่ออกจากใจไล่ความขี้เกียจขี้ข้านก็ไล่ออกจากใจไล่ความโง่ก็ต้องไล่ออกจากจากใจฉลาดก็ใจเป็นผู้ชลาดมีสติปัญญาโง่ก็ใจเป็นผู้โง่ข้ามทะเลหลงได้ก็ข้ามฟากข้ามโลกได้โลกก็เคยใจใจก็คือโลกโลกที่มีกิเลสใจที่มีกิเลสใจที่ไม่มีกิเลส ใจที่คัดสีอยู่มีทานวัตสีวัตภาวนาวัตคัดสีใจก็ไม่ค่อยเศร้ามองถ้าใจห่างเหินจากพระพุทธธรรมประสงค์จากทานศีลภาวนาและใจก mm ็เศร้ามองสึ่งอื่นเศ้ามองไม่เป็นปัญหาใจสศมองเป็นของสําคัญมากสึ่งอื่นต่ําก็ไม่เป็นปัญหาจิตใจต่ําไปในทางที่ชั่วเป็นปัญหาสึ่งอื่นสูงก็ไม่เป็นปัญหาจิตใจสูงไปทางดีก็ยังมีปัญหาสําคัญ สูงต่า่ร่วมรอนก็คือจิตใจจิงอื่นสูงต่ําร่มงรอนไม่เป็นปัญหาจิตใจสูงขึ้นในทางดีเป็นของที่นักปราชญ์ทรงสนรเสริญสูงขึ้นในทางชั่วท่านไม่เรียกว่าสูงท่านเรียกว่าต่ําลงซะเรามาท่องเที่ยวในวัดตาชงสารไม่ใช่ว่ามาท่องเที่ยว เล่นเฉยมาท่องเที่ยวเพื่อใช้นี้ใส่ศีลใช่ศีลของตนที่เคยได้โรคปวดลงมาที่เรเคยมาท่องเที่ยวในวัดตรทราทงศาลนี้จะพยายามไม่มาอีกจะพยายามลดน้อยลงจะพยายามลดแอบออกจากโลกด้วยธานวัดศีรวัตพานาวเพื่อจะเข้าถึงวัดพระนิพพาน พระเนปานเป็นมโนวัตที่มาเกิดไม่แข่ไม่เคลียม่ตายเป็นธรรมวัตที่ไม่เกิดไม่แข่ไม่เคลียม่ตายไม่เป็นตัวเป็นตนเป็นผู้เป็นพลเป็นธรรมรันร้วนเป็นธรรมรันที่ไม่มาเกิดไม่แข่ไม่เคลีม่ตายส่วนโลกมันเป็นพุคธาเทศฐานมันมีวัตถุนิยมพระเนปานไม่ใช่วัตถุนิยมมีอุดมคติรุ่นรนโลกโกดหลวงเมธะได อันบลอเบ้โกรธบ้าหลงกับเมธนันมืดเมธไหนสว่างกมบเมธนันงูเมธไหนคว่นฉลาดกับตองเมธนันมืดเมธไทสว่างกับตองเมธนันรอดจะเอามืดราดจะเอาสว่างมาแก่มืดรอดจะเอาคุ่มฉลาดไปแก่ขุ่นงูของเห่าที่ดวงใจแกของแก่กันที่ดวงกจขันว่าแก่ก็คงเรียกว่าเพรแก่ที่ดวงใจแก้เพนอื่น แกว่าถือเก่าว่าถือวันทักขั้นไปไปเก่ากันน่องมาประมาณต่อไปนี้ก็ อ, อะไรนาะพวกเราไปห้าผักเนาะไปไมาเป็นจุกประจุกกันไปจุก ข้พุทธการก็มีดอกบานก็บานเต็มพวงดอกตูงก็ตูงเต็มพวงดอกเสมอน้ําก็เสมอน้ําเต็มภูมิดอกใต้น้ําก็ใต้น้ําเต็มพวงดอกบวัวแต่ละก่อแล้วก่ อ, กอเปรียบเหมือนคนในโลกแต่ละดอกเปรียบเหมือนคนแต่ละบุคคลอยู่ในโลกมีอยู่ทุกๆุค ท, ทุกสมัยทุกการทุกเวลาไม่ลงทรรมะเลยพรพุทธเจ้าไม่รู้ทําทํามีไหมก็ทําก็ ม, ม, มีอยู่ มาพระพุทธเจ้าไม่รู้ทำทั้งหลายมีอยู่พระเป็นธรรมอันเก่าเอสะธโมชนั น, นโนพระธรรมเป็นของเก่าทําไปฝ่ายทางผิดก็เป็นของเก่าไปฝ่ายทางถูกก็เป็นของเก่าสุดาเมระยะอย่างนี้เขาก็กินมาแต่พต่แต่ไหนจแต่ไ ร, ไรพุทธิเวทก็เวีนมาแต่ไดๆอีกเหมือนกันอืความดีก็ดีมาทุกยุคทุกสมัย ความชั่วเขาขัดกันมาทุกยุทุกสมัยเมื่อสว่าง ก, ก็มีมาอยู่ทุกยุทุกสมัยประชาประชาธิปไตยใครก็อ้างได้แม่แรงวันมันก็บอกว่าประชาธิปไตยของมันแม่แรงพูงแม่แรงพึ่งมันก็บอกว่าประชาธิปไตยของมันมันก็บอกว่าคนหมู่มากลากไปแม่แรงวันมันก็บอกว่าคนหมู่มากลากไปชั้นของไครของมันแต่ผู้ใจสูงก็เลือกเอาสูงผู้ใจอยู่ในระดับใดก็เลื่อมใสในระดับนั้น ผู้ใจสูงก็เลื่อมใสในระดับสูงผู้ใจขนาดกลางก็เลื่อมใสในขนาดกลางผู้ใจอยู่ในระดับต่ำก็เลื่อมใสในระดับต่ำแต่ว่าพุทธศาสนาบัญญัติ ถ, ถูกนอกจากว่าพุทธศาสนาบัญญัติไม่ไม่ถูกสิ่งที่เป็นบาปบัญญับว่าเป็นบุญก็มีเช่นการฆ่าสัตว์ไปสวรรค์เหมือนกันสิ่งที่เป็นบาปแท้ๆอยากว่าบัญญับว่าเป็นบุญ มันก็ขัดต่อเ พ, พราะเขาจะสอบนาบเรามาพิจารณาดูดูผู้ที่เขาถือว่าไม่มีบาปไม่มีบุญนั้นเขาไปได้ไหมแต่ก็เจอันแล้วใช่ไหมทิ้งเหล่านี้เป็นหน้าที่ควรคิดย่อมมีต่ำย่อมมีสูงตามคุณวุโทโธไว ย, ยวุโทโธ เวลาขามีมีเป็นเวลาเต็มภูมิมานาก็เป็นมานาเต็มภูมิจะไปเรียกว่าเสียวว่าสหายเตะตูดก็ไม่ได้ครูว่าอาจารย์ก็เป็นครูทีนี้เงินใบละ5้ารอยบาทจะมาตีเสมอใบละบาทมันก็ไม่ถูกเพราะคุณค่าของมันมันมีอยู่ในตัวแล้วนั่นไม่ถหินเว็ดทรายน้ำหนักเท่ากัน จะปฏิยค่าเหมือนทองคําให้เสมอภาคกันมันก็ไม่ได้เพฉะนั้นจึงมีสูงมีต่าตามคุณวุฒิคุณนวุฒิโวยยวุฒโทยจะข้ามไม่ได้คําสอน ใ, นใดๆในใตจโลกธานเป็นเมืองขึ้นคําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นนำพี่น้องกองเมืองบางต่างๆไร้ลโลกสูงมหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวฉนันใด คำสอนใดๆก็ไหลลงสู่คําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชันนั้นทีนี้พระพุท ห, หน้าห้วยเนองของเมืองบางต่างๆก็ไม่โอ้ขังมังคโลว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ถือตนถือตัวอะไรความจริงไม่นี้จากความจริงชั้นใดก็ดีพระพุทธศาสนาเขาไม่ได้ไๆถือตัวว่าจิงอื่นเป็นเมืองขึ้นของเราแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นบุญทั้งหลายไหลขึ้นสู่บุร่วมพระยานพานหมด คุณพิดาบรรดาผู้ญาติาทวดคุณท่านผู้มีคุณไหลขึ้นสูงคุณ พ, พระพรทธามพสงง์คุณพระพระทธธรรมพสงศประปรวมคิวกันที่พระนิพพานนะพุทธแท่ทมแท่สงแท่คือพระนิพพานทีนี้พระพุทธศาสนาเอาไปกินแล้วทําเป็นโล ก, กบาลคือคุ้มครองโลกสองอย่างหนึ่ง ความละอายแก่ใจสองโอตประหนึ่งเฮนความละอายต่อบาปสองโอตประความกลัวต่อบาปทำสองประการนี้เป็นคำคุ้มครองโลกถ้าโลกไม่มียางอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วกฎหม้กดหมูกดพักกดพวก ก, พ ก, ก็ตั้งไม่อยู่อูข้องทำไม่นำคำหนึ่งก็หมดที่พึ่งพิงอิงอาศัยทําความชั่วไม่ได้ในที่แกล้งก็ไปทําในที่รับ นั่นพระพุทธศาสนาเอาไปกินแล้วนั่ น, น, นเอา้าเพียงชิ้นห้าเท่านั้นถ้าชาวโลกมีชิ้นห้าบมเดิร์นสงครามจะมีมาจากประตูไหนนั้นไม่มีเลยทหารตำรวจก็ไม่ต้องมีกุญแจก็ไม่ต้องมีมองดูหน้ากันก็เป็นมิตรเป็นสหายและก็ไม่มีเสดงถอวาเพราะไม่มีเวรอยู่รอบข้างมีมิตรมีสหายทั่วทางตรโรกา นักชีวิตเรายัางไงก็รับชีวิตเขาอย่างนั้นนั่นเพียงสินธาทะนั้นสงบแล้วตาโดกธาตุมนุษย์ทั้งหลา ย, ยานั่นอย่างผืนฟ้ายองค์อาจเลยพระบรมศาสตรสอน mm hmm. พระพุทธศาสนะเป็นการบ้านเป็นการเมืองเป็นการเทวโลกเป็นการมนุษย์โลกเป็นการเทวโลกเป็นการสวรรคโล ก, เ ป, ก, ปโลกเป็นการพรหมโลกเป็นการพระนิพพานอีกด้วย มาสอนแจกต้นจนอวัสารสอนแจกตัวกอจนถึงตัวหอจนถึงสะกดกระนดังที่เราเคยเรียนมาอนเองนั่นคําสอน ใ, นใดในไทยโกธาตุจะเสมมติเหมือนคําสอนพระพุทธศาสนาไม่มีดอกเพราะท่านเป็นผู้บัญญัติพระธรรมวินัยท่านเป็นผู้ไม่มีกิเลสถ้าพระองค์ไม่บัญญัติถ้าธรรมท ำ, ทำไ ม, ไมีไหม ถ้าทําให้มีอยู่ก่อนพระบรมศาสดาเขาไม่สามารถจะรู้ทําได้เหตุฉะนั้นท่านจึงเคารพธรรมยกข้หาหอนสาธีบุรเอ๋ยโมกขลาเอ๋ยวันนี้พวกเรามาเล่นอบายมุกกันมาเล่นการพนันเอาบาดกันเถิดฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้ไปเป็นทบาท ล, ละเหตุ <laughs> ฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงเคารพธรรมถูกไหม <laughs> พระไตรปิฎกบอกว่าเมยามชจคอนสองจำพวกเมยามาจคกรจําพวกหนึ่งทําตัวเป็นนายพระนายเนนพวกนี้ต้องไปนรกเมยามชจคอนจาพวกหนึ่งทําตัวเป็นลูกศิษย์พระลูกศิษย์เนรพวกนี้ไปสวรรค์ใครเป็นผู้เอาออกมาหนังสือสองข้อก็ปินมุทุ ก, กันออกเอาออกมาจากพระไตรปิฎกหมายเลขไว้แต่เราไม่ได้เขียนไว้ ในสมัยสองพันห้าร้อยเราไปอ่านพกป่นุทุกันเอาออกมาบอกหน้าบอกเล่มไว้แต่เราไม่ได้เขียนไว้จะมีในแพทย์ตจพิ่หกทีนี้มีปัญหาสอดเข้ามาว่าถ้าหากว่าขาา้ารวาไม่ยอมเป็นอุบาสกอุบาสิกาไม่ยอมปฏิบัติเป็นศาสนูประถรรมพกของมพุพทาสถาแล้ว จะให้ผีตัวไหนมายอมนั่นปัญหาของมันอย่างนั้นทีนี้เรื่องสมณมญภาพที่สอนที่สั่งสอนคุณระบุที่จะทำต่อภาพพิสูรมสมัเห็นก็มีอยู่มีอยู่5้าข้อพระบรมศ า, า, าสดาสอนไว้แล้วหนึ่งด้วยกายกรรมคือทำอะไรอะไรประกอบ ด, ด้วยเมตตา สองด้วยวัจีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตา 3. ด้วยมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตา 4. ด้วยความเป็นผู้ไม่ปิดประตูคือห้ามไม่ให้เข้าบ้านเรือนข้อ า, าด้วยให้อามิตรสถานสัมณพราหมณ์ได้รับบำรุงชนนี้แล้วยอมอนุเคราะห์กุณฑบุตรด้วยสถาน6กหนึ่งห้ามมันกระทําความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดี 3. อนุเคราะห์ด้วยนําใจอันงาม สีให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังห้าทำที่สิ่งทําสิ่งที่ฟังแล้วให้แก้มหกบอกทางสอนให้พระพุทธศาสนาสอนไว้อย่างนั้นทีนี้ในระหว่างผัวกับเมียพระบรมศ า, ศ า, ศ า, ามสนาก็สอนทีนี้การบ้านต้งต้องอะส่วนพิชริรสมณรมันผ่านมาแล้วหนึ่งด้วยย่อกยองนับถือว่าเป็นภรรยาสองด้วยไม่ดูหมิน่นสามด้วยไม่ประพฤติร่วงใจสีด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้ ห้าโดยให้เครื่องแต่งตัวภรรยาได้รับบำรงชนีแล้วยอมอนุเคราะห์สามีด้วยสถานห้าหนึ่งจัด ก, การงานดีสองสองเคราะห์คข้างเคียงของผัวดีสามไม่ประพฤติล่วงใจผัวจึงความกว้างได้สี่รักษาทรัพย์ที่ผัวหามาได้ไว้ข้อห้าขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งบวงนังถวยกับพาะหลางพราะเขาเขาประเทศเขเป็นเอาแล้ว น, นอนหัวเขาพปัด ผมเป็นเอ้ผัวผมไปเรียนสาวท่านผัวผมไปเรียนสาวแล้วผมเมีเเยบเครียดให้ผัวขั่วเงินได้กับคุณขืนจะตึกสูงๆูงันไปเรียนไผ่น้ำเขาอย่าหนึ่งให้ประัดให้ผัวนักเจุดหายขเขาจะตัวรลานแม่หลนบ <laughs> นน่นั่นนั่น